10. ราชาสิกขาบท 33. ถามทรงบัญญัตินิสักียปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ให้เขาจัดจีวรสำเร็จได้ด้วยการทวงเกินสามครั้งยืนเกินหครั้งณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบ ท่านพระอุปนันทะสกยะบุตรถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระอุปนันทะสกยะบุตรอันอุบาสกบอกว่าโปรดรอสักวันหนึ่งเถิดขอรับก็ไม่ยอมรอในราชสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตห6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหสมุดฐาน กทินวั์ที่หนึ่งจบ